ขอความสุขความเจริญจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูนที่จะได้นำมาบรรยายในวันนี้เราชื่อว่าจุนทสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการปณริพานของระษาริบุตรเถระอรัครสาวกมีข้อความตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวัรกรุงสาวัตชีในเมืองในเมือง ในเมืองสาวัตจีพระจุนทะได้นําเอ า, าธาตุและบาดจีวรของพระศาริบุตรมหาพระอานอนเทเสระบอกว่าพระศาริบุตรนิพพานแล้วนิบาดจีวรและาธาตุของท่านพระานอนทบอกว่าก็ควรจะไปข้าวพระพุทธเจ้าด้วยกันและในที่สุดพระเถระทั้งสองท่าน ก็ไป้าพระพุทธเจ้าพรานนลได้แสดงความรู้สึกของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเพียงพระโสดาบันขนาดนั้นว่าพวกท่านพอทราบข่าวว่าพระสารีบุตรเทระนิพพานต่างคนต่างก็เศร้าโศกสลดใจทิศทางทั้งหลายก็เวิร์งวางเดียวดายคล้ายๆกับว่า คือหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้ากราบรักสั่งว่าลูกกรานนสารีบุตรนิพพานนั้นสารีบุตรได้นำเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันไปด้วยหรอืรนออานน์ก็กราบทูลว่าไม่ได้นำไปเลยพระพุทธเจ้าขัแล้วก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะมาศร้าโศก เสียใจเรื่องอะไรกันเพราะเราเคยพร่ำสอนพวกเธออยู่เสมอไม่ใช่หรือว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้นจะต้องมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาภาษาดีบุตรก็เป็นสังขารอยงหนึ่งไม่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาจากนั้นก็รับสั่ง เรียกประชุมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็ชี้ให้ดูบริขารของพระสารีบุตรพร้อมโดยธาตุของพระสารีบุตรไ ด, ได้รับสั่งว่าพวกเธอทั้งหลายจงดูบริขารเหล่านี้ของภิกษุซึ่งเป็นพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษรองจากเรา สามารถแสดงธรรมจักให้เป็นไปได้เท่าที่เราแสดงเธอได้สร้างบา ร, รมีมาถึงหนึ่งอสงไขยกระแสนับนับแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมัทิ ส, สีและในช่วงระยะเวลานยาวนานนั้นในพบชาติต่างๆเธอได้บวชถึง500ชาติด้กันได้บวชในาศาสนานอกาศาสนา ถึงห0 0รชาติได้กันเธอได้ข้ามาสู่ในธรรมวินัยนี้ก็เป็นผู้มีปัญญาเยี่ยมยอดที่สุดในโลกทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกเป็นจากเราแล้วไม่มีใครที่จะมีปัญญาเสมอเหมือนพระสง์ยกย่องพระสารีบุตรให้ปรากฏในที่นั้นเพราะไม่พระทั้งหลายได้รำลึกถึงคุณของพระสารีบุตร เราก็รับสั่งให้ก่อพระสถูปก่อสถู ป, ปัญจุธาตุของพระสารีบุตรไว้นี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในพระสูตรแต่พระสูตรนี้มาแปลกคือไปอธิบายเชื่อมเรื่องราวต่างๆจากที่อื่นไว้คือตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนั่นเองกรุงราชชึ ภาษาดิบุตรรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่สาวัตชีก็มาพิจารณาเห็นว่าตัวท่านเด้อยู่มานานแล้วอายุสังขารของท่านนั้นจะมีอีกมากหรือน้อยก็ดูเห็นว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับพระอา卡สาวกคือตามอดีตประเพณีโบราณในพระพุทธเจ้าในอดีต ท่านดูว่าพระอักสาวกกับพระพุทธเจ้านั้นใครนิพานกันก่อนก็รู้ว่าอักสาวกนิพานก่อนศาสดาทุกองค์หรือพระพุทธเจ้านในอดีตทุกองค์นั้นอักษาวกจะต้องนิพานก่อนแล้วมาดูตัวท่านว่ายังอีกนานหรือเปล่าจะนิพานก็รู้ยังอีกเจ็ดวันนั่นเองอายุสังขารจะสิ้นก็มาพิจารณาดูว่าท่านก็จะนิพานแล้วอีกเจวันแล้ว ประหาจะไปนิพพานที่ไหนดีตอนนั้นพระราขุณซึ่งเป็นพุทธชิโนโอรสหรือลูกของพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วนะฮะนิพพานที่ดาวดึงใกล้ๆกันนั้นเองพระัญญากลทัญญะก็นิพพานที่สะจัตทันทั้งก็มานึกดูว่าท่านควรจะนิพพานที่ไหนก็มองไปก็นึกถึงมารดาของท่านซึ่งแก่มากแล้ว ก็มาพิจารณาว่ามารดาของเรามีลูกเป็นพระอหันตั้งเจ็ดองค์แต่มารดายังเป็นมิจฉาทิฏฐิที่สมบูรณ์มากในฐานะที่เป็นลูกวารานสุดท้ายนั้นจะต้องช่วยแม่ให้ได้ก็ใช้ยานพินิพิจารณาดูว่าแม่เรานี่พอจะรู้ธรรมะได้ไหมพอพิจารณาแล้วก็เห็นว่า แม่ท่านนั้นสามารถรู้ธรรมะจนเป็นพระโสดาบันได้ล้วก็พิจารณาต่อไปว่าคนที่จะพูดให้แม่รู้แม่รู้เรื่องนั้นคือใครกันแน่ก็เห็นว่าท่านมีท่านองค์เดียวเท่า น, นั้นที่จะพูดกับแม่รู้เรื่องเนื้อแม่จะบรรลุโสดาก็ตกลงว่าท่านจะต้องไปนิพพานที่ห้องซึ่งแม่คลอดท่านจะไปนิพพานที่นั่น จะไปป่วยที่นั่นจะไปนิพพานที่นั่นจะไปเทศสอนมากกันที่นั่นเสร็จแล้วก็ไปกราบทูลลาประสินิพพานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งทั้งสองอย่างคือไม่ได้รับสั่งว่ารอก่อนดูก่อนค่อยก่อนแต่ว่ารับสั่งว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหน ภาษาริบุตรก็กราบถุนว่าจะไปนิพพานในห้องที่มารดาคลอดท่านก็รับสั่งว่ายังไงเธอก็จะนิพพานแล้ววันนี้ก็เป็นการจากกันในครั้งสุดท้ายเราขอให้เธอแสดงธรรมเทศนาในถ้ำกลางพระสงโดยมีพระองค์นั่งเป็นประธานภาษาริบุตรก็เริ่ม แสดงประธรรมเทศนาเป็นการแสดงที่แปลกมากที่สุดคือภาษาดิบุตปรปกติท่านยอดทางปัญญาตามคำพีพ ร, ระใจบิดกก็ดีแต่กถาก็ดีไม่เคยพบระสาดิบุตรแสดงปาฏิหาริย์แต่พอก่อนจะนิพพานแสดงปาฏิหาริย์มากมาเมื่อพระสงฆ์ประชุมการมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นท่านเริ่มแสดงประธรรมเทศนา แต่ไม่จะยืนแสดงหรือนั่งแสดงหรือนอนแสดงแสดงทุกอิยาบทเลโดยเริ่มครั้งแรกก็ลอยขึ้นไปบนอากาศคุยจากต่ำถึงสูงสามครั้งคุยจากหนึ่งลำตาลจนถึงเจดชั่วลำตาลแล้วก็ลงมากราบแทบบาทธูลของพระพุทธเจ้าลงมากราบทุกครั้งแล้วก็กล่าวกราบทูลให้ทราบว่า ข้าพระองค์นั้นเริ่มตั้ง บ, บำเพ็ญเพียบรบารมีมาตั้งแต่สมัยพระอโนโมทัทถสีสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปรารถนาที่จะได้กราบแทบบาทรมูลของพระพุทธองค์วันนี้ข้าพระพุทธองค์ก็ได้กราบแล้วได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วและการจากไปในคราวนี้ก็เป็นการจากไปโดยไม่มีการพบกันอีกก็จะไปเข้าสู่ภาวะ เร่นิพานที่สมบูรณ์จากนั้นก็เริ่มแสดงประธานเทศนาโดยมีการชาร้าก็เรียกว่าจิตตาพินิหารคือเป็นการเปลี่ยนแปลงกิริยาบุคือยืนบ้างลอยบ้างครึ่งตัวบ้างปรากฏเป็นรูปเทวดาบ้างพรหมบ้างมารบ้างคือปรากฏตัวเองเป็นหลายเรื่องหลายราวแล้วก็เทศยบไปเรื่อย เป็นการแสดงปาฏิหาริย์หลากหลายมากบางทีก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีก็เป็นพรหมบางทีก็เป็นมารบางทีก็เป็นพระอินทร์บางทีก็เป็นพระเทระบางทีก็เป็นเทวดา อ, าอื่นก็หลากหลายแล้วแต่ว่าไอ้การเทศน์นั้นเทศต่อเรื่อยเมื่อท่านแสดงเสร็จแล้วก็ลงมากราบแทบบาทของร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่า ปริยายของธรรมะที่เธอแสดงมีชื่ออะไรท่านบอกว่าชื่อสีหะนีละกินีนีละลิตังคือเป็นการอะไรเป็นการบรรลือเป็นการเล่นของราชสีคล้ายๆกับราชสีคํารามหรือราชสีคําลนอะไรลักษณะอย่างนั้น ถ้าจะพูดสัมนวนพระพุทธเจ้าเองก็เรียกว่าบันลือดุราชสีเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระพุทธเจ้าต้องการจะให้คุณของพระสารีบุตรปรากฏก็เสด็จขึ้นไปประทับยืนอยู่บนพื้นถินที่หน้าประคันตะกุฏีพระสารีบุตรก็เข้าไปกราบลาพระพุทธเจ้าโดยทำปะทักษิณสามครั้งตรงนี้ปาฏิหาริย์อีก ก็ปรากฏเป็นภาพแก่ภิกษุทั้งหมดในที่นั้นและพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพี่ชายของเธอจะนิพพานนขอให้พวกเธอไปส่งพี่ชายปรากฏว่าพระไปหมดวัดเลยชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ใกล้วัดก็ตามไปส่งกันเต็มไปหมดทัด้งคนก็ร้องผมร้องไห้ห้ามปรามขอร้อง ภาษาริบุตรก็อาศัยพระธรรมเทศนาชี้แจงแนะนําให้คนเหล่านั้นเข้าใจถึงความจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายที่มามีการเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านเองก็จะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วก็ตักเตือนชาวบ้านภิกษุทั้งหลายไม่ให้ประมาท <c oughs> ท่านเองก็รับสารให้บอกให้พระกับชาวบ้านกลับบอกให้ท่านทั้งหลายกลับไป ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทต่อพระทศกุลคืออย่าทอดทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งชาวบ้านกลับท่านกับบริวารซึ่งก็มีอยู่250รรูปเาไปแต่ว่าตอนนั้นมีประมาณ500นะแต่บริวารเดิมก็มี250อาเพร้อมด้วยพระจุนทะเาไปถึงบ้านนางสารีซึ่งเป็นมารดาที่บ้านนารันธาหรือนานละกะ สมัยนั้นเรียกนาลันทานบ้างเรียกนาลากะบ้างเราไปถึงก็พบหลานชายที่น่าบ้านก็บอกว่าท่านถามมายายอยู่ไหมบอกว่าอยู่บอกไปบอกยายนะบอกว่าลุงมาลุงลุงมาจะมาพักที่นี่แล้วขอให้ยายช่วยจัดที่พักให้พระห้าร้อยรูปด้วยนางสารีเมื่อรู้ข่าวว่าลูกชายมาแรกท่านกองกอนงอนนะฮะ ท่านก็งอนท่าน ก, ก็รู้สึกเป็นไม่เบื่อไม่เมามากับภาษาริบุตรตั้งนานนะสี่สิบสี่ปีสี่สิบกว่าปีแต่ว่าเมื่อลูกชายไปก็สั่งให้จัดแจงคือเป็นเศรษฐีนีที่ร่ํารวยมากจัดที่ทางให้พระอยู่แล้วภาษาริบุตรก็แสดงความจํานงที่จะเฝ้าอาที่จะนอนในห้องซึ่งท่านป่วยท่านท่านครอดก่อนจะ ข้าพักในห้องก็เรียกประชุมพระทั้งหมดเราแสดงให้ทราบเดีต๋ตอนนี้เราก็รู้อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าภาษาดิบุตรบวชพรรษาแรกหรือบวชปีที่สองของการศัสรูของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นิพพานในพรรษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกแกพิกูนทั้งหลายว่า เรากับท่านทั้งหลายนั้นอยู่ร่วมกันมา44ปีแล้วโทษล่วงเกินนันใดที่เราเคยล่วงเกินก็ขอให้ท่านอภัยโทษได้ด้วยภิกษุทั้งหลายก็เรียนถวายท่านบอกว่าท่านไม่มีโทษอะไรที่ล่วงเกินแล้วก็ต่างคนต่างก็ขอขมาท่านพระธิระแล้แยกยายกันกลับ ไปพักผ่อนท่านก็อยู่ในห้องของท่านพอภิกษุกลับเสร็จพระเทรศเข้าห้องก็อาพาธแบบเดียวกับพระพุทธเจ้านะลงพระบางคนลงลถ่ายเป็นโลหิตประจุนท่าองเดียวก็ช่วยอุปถากบำรุงออกเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตเลยก็ในขณะนั้นมันบอกว่าเท้าเจตุมาราชทั้งสี่มา รู้ว่าระษารีบุตรอาพาธจะมาพยาบาลนางสาลีไม่ยอมเข้าไปดูคือคือคื อ, คอท่านยังมันไสอ่ะบกเราไม่ชอบใจลูกชายกันนี้คือท่านก็แอบดูอยู่ในฐานะที่เป็นแม่แต่ยังไม่เข้าไปปล่อยให้ไปจุนท่าซึ่งเป็นน้องชายอุปถากอยู่คนเดียวที่สุอื่นก็ภาษาีบุตรก็ไล่ให้ไปปากกอนหมดแล้ว เมื่อท้าวจัตุมาราชมาจะาอุปถากต์บำรุงท่านก็ถามว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าท้าวจัตุมาราชบอกว่าไม่ต้องหรอกมีคนบำรุงเราแล้วปฏิบัติเราแล้วให้ท่านกลับไปพวกนี้ก็กลับท้าวสกะเทวราชก็มาเมื่อพระเทระรู้ว่าเป็นท้าวสกตะต้องการจะมาอุปถากต์บำรุงก็บอกให้กลับแต่แล้วท้าวมหาพรหมก็มาก็บอกให้กลับอีกนางสาดีชักสงสยัย เพราะตอนตอนมาไปหมานี่คนมากันแยกเนยกันเพราะข่าวล่วงหน้ามาตั้งเจวันว่าภาษาดิบุตรจะมานี่ผ่านคนในหมู่บ้านคนตามมาส่งคนมารับมันเต็มไปหมดแล้วประตูกลางคืนมีเทวดาอีกแล้วสรีชักสงสยัยลูกชายเราในใหญ่โตขนาดไหนท่านก็เข้าไปแล้วก่อนก็แอบแบออยู่ข้างประตูก่อนตอนนั้นพระเทรดก็อาพาธนะ แล้วก็ข้าไปสอบถามว่าที่มาตัวหัวข้าบเป็นใครท่านก็ บ, บอกว่าเท้าเจตุมาราชเอนี่ลูกใหญ่กว่าเท้าเจตุมาราชอีกอ่ะพระสารีบุตรบอกว่าเท้าเจตุมาราชนั้นเมื่อเทียบกับศาสดาของอาตมาแล้วก็เหมือนกับเด็กวัดตอนพระาศาสดาของอาตมาไปสู่ที่มายืนเฝ้าประตูอยู่แล้วและตอนกลางเที่ยงคืนใครมา บอกพระท้าสกะเทวราชมาอ็นนี้าศาสดาของลูกใจกว่าท้าสกะอีกบอกท่าสกะนี่เหมือนกับสามมันเนนก่ะสามนเนนตอนพระพุทธเจ้าเสด็จประสูตรจากพระคารมารดาก็ถือปัจจัยมารออยู่แล้วแล้วตอนใกล้รุ่งใครมาบอกพระพรหมแต่ท่านไม่ใช้คำว่าพระพรหมบอกพระเจ้าของโยมนั่นแหละพระเจ้าของโยม รพระพรหมบอกนี้ขนาดใหญ่กว่าพระพรหมอ่ะบอกพระพรหมนั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับพระบวชใหม่พระนาวากะตอนศาสดาก็อาจจะมาประสูตรนั้นพระพรหมเอาตาขายมารับโอ้โหบอกใหญ่เจ้าลูกชายเรานี่ใหญ่โตขนาดเนี่ใหญ่กว่าเท้าเจ้าตูมาราชใหญ่กว่าเท้าสกะเทวราชใหญ่กว่าพระเจ้าของเราคือพระพรหมสิอีกนี่ลูกชายขนาดนี้นะสาธดาขนาดไหนนะ ใจมันก็อ่อนลงเยอะนะฮะอามานะกระดั่งและในที่สุดก็เกิดสนใจพระพุทธเจ้าขึ้นภาษาริบุตรก็เริ่มเทศเทศพุทธคุณล้วนนะฮะพุทธคุณที่เราสวดกันเนี่ยเป็นการขยายพุทธคุณออกไปโดยพิสดารแล้วก็ดึงเข้าหาหลักอริยสัจนางสารีได้ฟังเทศแล้วบรรลุโสดาในที่นั้น ทีนี้ตำหนิพระสารีบุตรเลยบอกว่านี่ทําไมพ่อปล่อยให้เนิ่นนานมาอย่างนี้ทําไมไม่เอาของดีๆมาให้แม่ตั้งแต่แม่ยังยังไม่แก่ขนาดนี้ทำไมมาเพิ่มควาบอกพระสารีบุตรท่านก็ไปตอบว่าไงนะครับเพราะว่าก็มันชิงสุก่อนหามไม่ได้เรื่องมันและในที่สุดพระเถระก็บอกให้โยมออกไปให้โยมกลับไปทัา น, นก็อยู่สององค์ สองคนพี่น้องแล้วก็นิพานนิพานนั้นพอรุ่งขึ้เช้านางสารีรู้ข่าวว่าลูกชายนิพานตัวเองเป็นพระโสดาบันแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ขี้เหนียวไม่เหนิบแล้วแล้วก็เป็นเศรษฐีนี้ใหญ่มากก็สั่งเตรียมการใหญ่โตมากงานศพของพระสารีบุตรนี้ถ้าดูแล้วนะฮะดูตามที่ท่านพานนาไว้มันจะใหญ่กว่าสมายัยพระพุทธเจ้าสิคือคนมากันเป็นอันมาก แล้วก็มีเทวานุภาพเข้ามาสอดแทรกเยอะแยะก็เก็บศพไปเจ็ดปัดเหมือนกันเก็บศพไปเจ็ดวันแต่ก็ไม่ได้บอกเชิงเจ็ดวันว่าคนสนุกสนานคนมาข้อมล้องกันอยู่เจ็ดวันแล้วก็ในตกกลางคืนนั้นพระอนุรุตเถระก็แสดงธรรมแสดงว่าพระอนุรุตมาด้วยมาแสดงธรรมเทศนาให้สาวบ้านที่มาประชุมกัน แต่พิจารณาดูตัวอย่างของพภาษาริบุตรในแง่มนตต่างๆพอเผาเสร็จแล้วพระจุนธาเทระก็นํานําธาตุแต่ในพระบาลีจริงๆบอกว่านําเฉพาะบัตจีวรแต่ในอัตถกถาบอกว่านําธาตุไปด้วยแต่คงจะนําธาตุไปด้วยนะเพราะว่าที่บรรจุาธาตุภาษาริบุตรนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งให้สร้างเองอาตกลงว่าก็ไปเฝ้าอย่างในพระสูตร ทีนี้ปัญหาที่น่าศึกษาก็มีเยอะนะฮะในสุดนี้ประเด็นแรกก็คือเรื่องของริษารีบุตรคืออย่างที่เคยบอกมาเมื่อตอนเล่าประวัติของท่านว่าเป็นครอบครัวเดียวที่มีคนสมเ็จอ ร, รหัตมากที่สุดคือเจ็ดคนด้นวยกันวังคันตาพรามซึ่งเป็นพ่อของท่านนั้นไม่ได้ปรากฏชื่อเลยอยู่ตรงไหนไม่ทราบ จะตายไปก่อนหรือยังไงแต่ยังไม่เคยพบชื่อจนปัจจุบันเนี่ยแต่นางสารีนั้นมีบทบาทอยู่ด้วยท่านมีท่านเป็นพี่ชายคนใหญ่ท่านออกบวชในสมณคราแรกก็ในสัญชัยปริพาชกต่อมาก็เห็นว่าเรื่องร้ายสาระออมาพบราชสิจแล้วก็ออกบวชอย่างที่เคยเล่าในประวัติท่าน เมื่อท่านบวชแล้วท่านนำมอน้องชายคนที่สองคือท่านอุปเสนะน้องชายคนที่สามคือจุนทะน้องชายคนที่สี่คือเรวตะออกบวชและน้องสาวอีกสามคนชื่อจาราอุปจาราศีสุปจาราออกบวชและลูกของนางอุปจาราอีกสองคนเป็นเนนออกบวชอีกก็เห็นหลานชายอยู่คนหนึงตามเรื่องเนี่ยแต่ พวกผู้หญิงจะมีครอบครัวมีลูกกันกี่คนนั้นประวัติไม่ละเอียดแต่ว่าฝ่ายผู้ชายดูจะไม่มีครอบครัวเลยสักองค์หนึ่งก็ในที่สุดก็ออกบวชหมดแต่ทั้งๆ ท, ที่แม่ที่ลูกเป็นพระอาหารหันต์ตั้งเจ็ดองค์แม่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิสมบูรณ์แบบเจอพระก็ดา่าฝากพระสารีบุตรมาเรื่อยท่านแค้นใจมากเลยลูกกี่คนอีกคนพี่ชายเอาออกบวชหมดเลย โดยเฉพาะเคยแข็งใจตอนเรวัตออกบวชน้องชายคนเล็กท่านอุษาหให้แต่งงานตั้งแต่เจ็ดขวบนึกว่าจะผูกไว้ด้วยสมบัติของท่านแต่ว่าเรวัตก็หนีบวชเลตั้งอีตอนตอนแต่งงานเนี่ยไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยก็ทําทําให้ท่านอะไรต้องโบกลงที่ภาษาดิบุตรทั้งหมดอะคือแค้นภาษาดิบุตรมากขนาดรรานเปล่าคุณนะฮะท่านยังด่าวฝากไปได้ด่าวฝากไปปาว้ภาษาดิบุตรก็ พอมาถึงตอนสุดท้ายก็อย่างที่เรื่องที่ว่ามาแล้วนะฮะทีนี้ปัญหาประเด็นสําคัญก็คือว่าประจุนทะนั้นในบาลีนั้นเรียกว่าสามนเณรฮะไม่รู้เรียกสามนเณรทําไมก็ปรากฏว่าพระอ า, อาจารย์ท่านบอกว่าตอนบวชน้ำบวตเป็นเณรแล้วก็พอผสมบทแล้วเพื่อนอยังเรียกเนนอยู่ก็ยังเรียกเนนอยู่นั่นแหละแต่เป็นพระเทร่าที่มีความสําคัญนะฮะ เป็นรูปแรกที่เสนอให้มีการสังคายนาพระธรรมบิดในก่อนพระพุทธเจ้านิพพานตั้งสมปีนะเป็นคนเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คนเริ่มสังขายนาคราวแรกก็คือพระสารีบุตรนี่ก็เป็นพระเถระที่มีเป็นกำมังสำคัญมากทุกองคเลยของของสี่คนพี่น้องโดยเฉพาะพระราหานผู้ชายนะส่วนภิกษุณีนั้นบทบาทไม่ค่อยจะละเอียดเอ่อ มีประเด็นที่น่าศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในพระสูตที่สำคัญก็คือสามประเด็นหลักๆประเด็นแรกนั้นอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่าพระธรรมวินัยนั้นเหมือนมหาสมุทรฝนจะตกลงมาข้างบนน้ำหลากลงมาทางเหนือจะทำยังไงก็ตามมหาสมุทรไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มไม่เคยพล่องในพระศาสนานี้ก็เหมือนกันมีสิ่งซึงสรุปแล้วก็คืออริยธรรมนะฮะ อริยธรรมมันมีห้าข้อทิระพุทธเจ้าเราสั่งถามพระอานุ์ว่าสารีบุตรนิพพานนั้นเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันไม่มุตติขันไม่มุตติญาณทัศนขันไปด้วยหรือซึ่งพระอนุ์ก็บอกว่าไม่ได้เอาไปคือหมายความว่าธรรมะพวกอริยธรรมเนี่ยมันเหมือนกับมหาสมุทรที่คนน้ําจะตกลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม มรรคผลนิพพานในทางศาสนานั้นจะไม่ได้หายไปไหนคือคนเขานิพพานแล้วไอตัวธรรมะที่ยายถึงนิพพานก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนจะไม่มีความพร่องความเต็มจะไม่มีความเต็มอยู่ในอยู่ในมรรคผลนิพพานคือจะคนนิพพานได้เรื่อยไปอริยธรรมทั้งแปดทั้งหประการเนี่ยตอนก่อนสุด ทายปีสุดท้ายที่จะไปนิพพานคือปีนี้แหละฮะปีที่พระสารีบุตรนิพพานพระสารีบุตรนิพพานตอนวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับพระพเจ้านิพพานวันเพ็ญเดือน6พระโมคคัลานะนิพพานก็วันสิ้นเดือนสิองตอนนั้นพระโมกคัลานะก็จึงอยู่แต่ก็ไปอยู่ที่กาละศีลาที่ภูเขาอิศกิริจึงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในพิธีนิพพานของพระสารีบุตร ศีลก็คือศีลนะฮะศีลศีล ส, สมาธิปัญญานั้นไม่มีปัญหาใดเข้าใจแล้วคือวิมุตติขันกองวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์วิมุตติญาณทัศนะนั้นว่ากันตามความเป็นจริงถ้าท่านได้เคยอ่านพวกญาณสามพวกกัตตาญาณ น, นะฮะคือญาณที่รู้ว่าได้ทำแล้วเป็นความรู้อริยสัจจริงๆเพรา ะ, ะั้นวิมุตติญาณทัศนะก็คือความรู้ความเห็นในวิมุตติ คือรู้ว่ามันหลุดพ้นจริงๆความรู้ความเห็นเหล่านี้เกิดขึ้นยังไงนะเกิดขึ้นอย่างไรพระสูตทั้งหลายที่ตอนท้ายๆของพระสูตรเนี่ยจะเกิดว่ามิวิมุตตัสัมมิงวิมุตตมีติยานังโคติเมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าเราพ้นแล้วตังนี้ตัวญาณตัวหลังนี่ยคือวิมุตติญาณทัศนะ วิมุตตะสมิงวิมุตมติยานังโคติเมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดยานรู้ว่าเราพ้นแล้วดังนี้และยานตัวนี้เองจะรู้ว่าขีนาจาติชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําใน้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็สรุปแล้วที่จริงก็เป็นเหตุอยู่3ามนะฮะคือศีลสมาธิปัญญาเป็นผลอยู่สองคือวิมุตติขันกับวิมุตติยานทะัศนขันอย่างนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับการแสดง โดยการอธิบายในคราวไหนแต่บางทีก็แสดงอธิบายเป็น10บเรียกว่าสัมมัตตส1บเดินศีลสมาธิปัญญามาย่อยเป็นอริมัคมีอง์8ดพออริมัคมีองแปดที่คนปฏิบัติสมบูรณ์ก็กลายเป็นวิมุตต ก, กลายเป็นสัมมาญาณนะคือความรู้เสร็จแล้วก็เป็นวิมุตตคือจิตก็หลุดพ้นดังนั้นตัวญาณนั้นคือผลรวม ผลรวมจากการปฏิบัติสมบูรณ์ในเระยะมกักส่วนวิมุมุดก็คือผลจริงๆผลที่เกิดขึ้นมาจากสัมมาญาณนะคือความรู้ชอบพวกขันพวกอริยธรรมทั้งหประการนี้เป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่คือใครจะปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ภาษาทีบุตรทั้งก็ไปเอาไปพระตจเจ้าก็ไปเอาไปก็ยังอยู่ในโลกนี้แลประการหนึ่งอีประการที่สองนั้นเราจะพบว่า จิตของคนที่หวั่นไหวด้วยปิยะ ว, วิปโยคนีม้มันแรงมากเลยขนาดพระอานน์ยังกระเทือนยังหวั่นไหว ท, ท, ทั้งๆที่รู้นะฮะว่าอีกเจวันพระสารีบุตรจะนิพพานพระอาห น, น์ก็อยู่ในที่นั้นด้วยตอนลาไปแต่พอเอาก็จริงท่านก็ตั้งหลักไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นคนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งรองมาจากพระพุทธเจ้า เป็นธรรมเสนาบ ด, ดีแล้วก็เป็นแม่บ้านหน่อยเป็นแม่บ้านของพระพุทธเจ้าเวลาจะบินทบาทพระธาติบุตรจะออกทีหลังคนอื่นเขาตรวจ ด, ดูวัดหมดเลยมีอะไรประตูหน้าต่างอะไรทิ้งไว้นะอะไรไม่เรียบร้อยดูแลจัด ก, การเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวถึงจะออกออกไปนอกวัดพอออกไปก็หมดวัดเลยไม่ได้มีคนเฝ้าวัด เพราะว่าสมัยนั้นวัดก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างนี้คือคือไอเครื่องต่างๆนะกุติกุตามก็ใหญ่โตโมโหลานเหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องชายต่างๆก็ไม่มีมากปัจจุบันไี้มีพระพุทธรูปเตเลอร์อะไร ๆ, ๆจับใส่กลางไกรงขังหมดได้พระพุทธรูปเบขืขโมยทัางๆที่มีคนอยู่ทีนี้เมื่อพราษาดิบุตรนิพพานพระเทเรทั้งหลายยังหวั่นไหวไปหมด พระพุทธเจ้าก็ชีให้เห็นถึงความจริงดังที่กล่าวแล้วประการต่อไปก็คือการที่พระพุทธเจ้าประชุมพระสงฆ์ประชุมพระสงฆ์ในคราวนั้นได้โปรดเข้าใจว่าประชุมในคราวพระสูตรเนี่ยเป็นประชุมเมื่อภาษาอริยบุตรนิพพานแล้วแล้วก็ให้ดูพวกธาตุพวกบาจีวรของพระเถระแล้วก็ดึงข้าหาเรื่องพระเถระดึงข้าหาบารมี พระภิกษุนั้นชื่นชมความยิ่งใหญ่ความพิเศษของพระสารีบุตรมาเมื่อเจดวันที่แล้วนะท่านนั้นท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็คงจะรู้ว่าแมา่พระสารีบุตรทําไมจึงได้เก่งอย่างนั้นนะทำไมจึงได้ดีอย่างนั้นก็คงจะเก็บค้างไว้ภายในใจมาเจดวันแล้วพระสารีบุตรก็พระพุทธเจ้าก็ดึงให้เห็นว่าที่จริงมันล้นแล้วแต่มาจากเขต สารีบุตรนั้นสร้างบา ร, รมีมานานถึงแสนนสงขายกับกับหนึ่งกันแล้วก็ในระหว่างพบชาติเหล่านั้นที่น่าสังเกตอีกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่แปลกออกไปเมือใกล้ใกลประเด็นของพระพุทธเจ้าว่าในชาดกที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้านั้นมีจุดที่น่าสังเกตออย่างหนึ่งคือว่ามีอยู่หลายชาตินะฮะไม่ใช่ทุกชาติ ซึ่งการบวชนี้ก็กลายเป็นการสร้างอุปนิสัยสร้างบา ร, รมีให้มีลักษณะกระตุ้นเตือนมีแนวโน้มที่จะบวชภาษาดิบุตรนั้นในแสนส่งขายกันหนึ่งกันก็วบวชมาต่อลายห้าร้อยชาติเราแสดงว่าคงจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมจะมากนะนโอกาสที่ที่จะมาเกิดเกิดเป็นเทวดาทีจะเป็นพรหมรืทีนกินเวลายะ กว่าจะได้เกิดอีกสักทีแต่ว่าในจำนวนเหล่านั้นในระยะอัยาวนานขนาดนี้ท่านก็บวชมาถึงห้าร้อยชาติได้จ้ะเพราะในลนักษณะเหล่านี้มันก็กลายเป็นแนวโน้มที่ปลูกฝังอัตยาสัยของท่านวันดีคืนดีลูกเศรษฐีไปดูมรสรบเขาเล่นกันสนุกสนานบนยอดเขาที่กลุมรรชเชือครอึเกิดคิดขึ้นมาได้ดื้อๆอ่งี้เองเอ๊ะมันจะเอาอะไรกันก น, นักหนาเนี่ย ไอคนที่สนุกสนานหัวรเราะรื่นเริงอยู่นี่อีกร้อยปีก็ตายหมดไอเราเองก็ไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดมันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันสนุกสนานประโยชน์เงมันนั่ ง, น, งนั่งคิดด้วยคิดเหมือนกันนะสองคนพี่เนาะไอสองคนสหายคือประมุคัลลานะคิดเหมือนกันแล้วนั่งเฉยๆไม่หัวเราะไม่สแสดงอะไรเลยเขาคือถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเพราะจิตมันหยุดเพลินเสร็จแล้วหยุดความคิดไว้ได้แล้วเป็นเรื่องไร้สาระ นี่คืออะไรคือบารมีธรรมจากการเก็บการสะสมอบรมมาในอดีตชาติตั้งห้ารชาติอย่างที่ว่าก็เคยคิดเคยเก็บเอาไว้แล้วก็สำแดงผลออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมาจากข้างนอกก็ทำให้ท่านได้หลักเป็นที่ยึดเหนีย่ยวใจเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายสาระแก่งสารที่จะที่จะมาอยู่ฉะนนั้นแล้วท่านก็ออกบวชออกบวชโดยไม่มีใครชักชวนนะฮะออกบวชโดยมีใครชักชวน เป็นอาการกระตุ้นเตือนของบารมีธรรมเช่นเดียวกับที่เกิดแก่พราพุทธเจ้าเหมือนกันพระบารมีท่านสูงทีนี้ในช่วงต่อไปก็คือเรื่องไอสีหะกิรานิจิที่ภาษาริบุตรแสดงนั้นคือไม่ใช่เป็นการต้องการจะอ้วดอะไรนะฮะแต่จะเห็นว่าพระเถระท่านรรอย่างมีเป้า เพื่อกระตุ้นกระตุ้นพระเหล่านั้นกระตุ้นพระเหล่านั้นให้เกิดชั้นพระอุตสาหะที่จะเอาอย่างเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาราณ์ทั้งหลายกรณีพอมีอะไรเด่นเด่นขึ้นมาจะมีการประชุมแล้วกระตุ้นคือยกตัวอย่างคนขึ้นมาเชิดชูยกย่องให้คนอยากจะเอาอย่างบ้างจะได้เด่นจะได้ดังอาอ า, อาศัยตันหาแต่เพื่อละตันหาคือให้เขาอยาก เป็นอย่างนั้นบ้างแต่ในที่สุดพอเป้าหมายจริงๆมันก็เป็นการละตันหาเป็นการแสดงที่หลากหลายคล้ายๆกับยมกปฏิหารของพระพุตธเจ้าเซยําไปคือท่านพันนาไว้วิจิตพิสดารมากที่ยามาเคยบอกนะบอกว่าไอ้พวกอิทธิฤทธิ์ที่ศาสนาบางศาสนาก็คุยกันนะฮะถ้าเราเอามาคุยเราได้เล่มเบลล่มาเอาภาษาวกสักองค์หนึ่งพระโมคคัลลานะสักองค์หนึ่งนี่มาคุยก็ขี้เกียจ ค, ค, คุยละ แปลว่เราถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าเองไม่โปรดให้แสดงเพราะมันมีอยู่สองเรื่องนะฮะคือในสมัยนัน้นมันมีวิชาอยู่สองวิชาที่แสดงไปแล้วคล้ายๆกับฤทธินะ์วิชาแรกก็คือมายาวีมายาวีเป็นวิชาคล้ายๆพวกมายากลคล้ายๆมายากลก็คือมายากลที่เราเล่นกันนะฮะมายากลมันก็คือฤทธิ์ แบบฤทธิ์อย่างหนึ่งทําของไม่ไม่มีให้มีทําของที่มีอยู่แล้วให้หายไปอะไรอะไร น, นี่ยก็แค่าค่ก็คนเดียวกขาเล่นกันหรือทําสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ปโปรดเพราะว่าเวลาแสดงแล้วเนี่ยคนจะมีความรู้สึกแยกเป็นสองฝ่ายคนที่ศรัทธาจะเห็นว่าเนี่ยเป็นพุท ธ, ธานุภาพแต่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะด่าพระพุทธเจ้านนี้มันเล่นคนธรรมดาซึ่งด่าไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเป็นเป็นบาปเป็นกรรมของคนั้น จะไม่มีการสดแสดงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเพราะมันคล้ายกับมายาวีซึ่งเป็นมายากลที่มีอยู่ในสมัยนั้นแล้วลอีกประการหนึ่งคือพว ก, พวกเจโตปริยาณนะคือทายใจรู้ใจคนพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจคนตลอดแต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์รู้ใจเพราะรู้ใจนั้นมันมีวิชาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจินดามณีมีอยู่สมัยนั้นมีการศึกษาทางจิตระยลืมมาทางอินเดียเนี่ยเขาทางทา ง, ทางอารยันนะไม่ใช่อินเดียอินเดียดกิก๊กกอกมา อ, อารยา น, นี่เขาศึกษาในด้านจิตที่สูงมากเลยเพรกจินดามานันีเนี่ยคุณคิดยังไงในขรทัรชีใจ เ, เจโตปริยานของพระพุทธเจ้านั้นก็มีลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามีสูงละเอียดลึกซึ้งกว่าเพราะงั้นถ้ามองฉาบสวยเราไม่มีสติปัญญาเราแยกไม่ออกเพราะแยกไม่ออกก็ด่าอ่ะคนหนึ่งจะชื่นชมแต่อีกกลุ่มหนึ่งจะด่าซึ่งเป็นผลเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นคุณสมบัติส่วนตัว เป็นความดีความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นเองถ้าใครต้องการก็สร้างขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าจึงไม่โ ป, ปรดและภาษาดีบุตรเองอย่างที่บอกว่าจากที่ศึกษามานะฮะยังไม่เคยพบว่าท่านแสดงปฏิหารแต่ตอนนี้แสดงจังเลยวิจิตพิสดารว่าจะวิจิตพิสดารมากเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าพริกจิตนะฮะเป็นลักษณะพิกจิต คือคือจะเปลี่ยนรูปร่างไอาการเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยมันก็มีอยู่ตามความตามคุณภาพของของอภิญญาคือภาษารีบุตรนั้นท่านประเภทมหาอภิญยาซึ่งมีอยู่6องค์อภิญญาก็7องค์ท่านพระพุทธเจ้านะฮะไม่ใช่ธรรมดาพวกนี้ไม่ใช่พวกธรรมดาจะแปลงภาพได้หลากหลายซึ่งเก่งกว่าคนที่แยกตัวเองออกเป็นตัวเองเช่นนายกแยกตัวเปไ็นนายกได้ร้อคนพันคนเนี่ย ถือว่าเป็นจิตเป็นการเพิกจิตธรรมดาแต่ถ้าแยกตัวเองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นพรหมสลับแล้วก็ถือว่าเยี่ยมนี่ก็หรืออย่างการใช้พระพุทธญจ้แสดงยมกปฏิหารซึ่งทําได้องค์เดียวภาษาดิบุก็ทําไม่ได้คือใช้กรสินสอ ง, สอ ง, สองกสินในขณะเดียวกันเช่นมีน้ํากับลมกับไฟออกจากพระเนตรพร้อมกันคือหมหากามเตโชกสินกับอโปกสินใช้พร้อมกันซึ่งภาษาพกทธธรรมดาใช้ไม่ได้ เป็นระดับพระพุทธเจ้าท่านั้นเขาเรียกยมกปฏิหารคือทาได้เป็นคู่คูปฏิหารอย่างเดียวนะฮะใช้ใช้ฐานของของกรรมฐานสองอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์เนีย่ยทำได้เพราะงาั้นระสารีบุตรนี้จึงเป็นพวกมหาปัญญาที่ท่านทําได้หลากหลายมากมายเนี่ยแต่ว่านั่นคือเป็นความสามารถของท่านท่านต้องการแสดงให้เห็นจิตตาอุภาพที่ได้รับการฝึกปรือแล้วก็ให้โดยเฉพาะคือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะบูชาพระพุทธเจ้าที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ท่าน พระพุ an, ทธเจ้าเองท่านก็ไม่ตื่นเต้นอะไรรับสังส่งเฉยเฉยสั่งเฉยเเพราะว่าที่จริงพระพุทธเจา้าท่านทาได้วิจิตพิจารกว่านั้นแต่ต้องการให้พระสารีบุตรนั้นได้กระตุน้นน้องๆ้องนะฮะคือคือคือถือว่าพระสารีบุต ร, เ, าา เ, เ, ปรเป็นพี่ใหญ่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าพี่ตลอดตรงนั้นใช้คำว่าพี่พี่ชายของเธอพี่ชายของเธออย่างนั้นเพราะเป็นพี่ใหญ่แต่ถ้าเรียงลำดับแล้วพระสารีบุตรไม่น่าเป็นพี่ใหญ่นะฮะเพราะพระสารีบุตรท่านบวชหลังคนอื่นไม่น้อยกว่าพันกว่าคนพันเองค์เป็นอย่างน้อย แต่ว่าโดยฐานะแล้วคือพี่ใหญ่ก็พระสารีบุตรนั้นตั้งปณิทานคราวแรกสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนุมัติสีจะพบว่าคนรับพระพุทธเจ้ากันนะฮะพระพุทธเจ้าเริ่มที่ปฏิปังกรตรงนี้เริ่มที่อนมัทิสีซึ่งอยู่ข้างหลังมากก็เป็นการสร้างวารมีที่ห่างไกลกันแต่ได้แสดงอะไรให้เห็นถึงว่าพระสารีบุตรเถระเนี่ย มีความมุ่งมา่ปราถนาที่จะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าจะได้กราบแทบบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความฝ่ายฝันมานานนะฮะเป็นแสนกันเลยแสนเศษนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ได้มาประสุปทุกอย่างทีนี้ท่านท่านลาไปนิพพานนะฮะท่านลาไปนิพพานนี้ก็ลาถึงแสดงลักษณะของนิพพานว่าเป็นความสงบความสุขความเยือกเย็นความดับที่ไม่มีการหวนกลับ เป็นการอะไรนะไปไม่กลับจริงๆในช้ก็มาไปไม่กลับอะไอส่วนที่เราใช้ในงานศพไปไม่กลับหลับไปตื่นพื้นไม่มีนั้นภาษาสมมตินะกลับอีกและวประเดี๋ยก็กลับก็เป็นภาษาสมมติแต่ภาษาจริงๆแล้วคือไม่กลับอย่างนี้ได้แก่นิพานเท่านั้นเองทีนี้อีกประการหนึ่งนั้นคือตอนลานั้นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงทั้งสองอย่าง คือทั้งไม่ห้ามแล้วทั้งไม่อนุญาตทั้ทงไม่ห้ามทั้งไม่อนุญาตแต่ก็พูดกลางๆจะนิพพานที่ไหนเท่านั้นข้อ น, นี้พระบราณอาจารย์บอกว่าถ้ารับสั่งห้ามคนก็จะค่อนแค่ได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอาลัยในวะะัฏะแต่รับสั่งอนุญาตก็แค่จะยกเพื่อนให้ตาย เ, าเลยเอาเนี่ก็รรับสั่งแบบพระพุทธเจ้าคือรับสั่งเป็นกลางไว้เลยไม่ได้ติดใจอะไร ถือเป็นเรื่องธรรมดาท่นั้นเองเอ่อไอความดำริของภาษารีบุตรนั้นคือท่านได้โปรดเข้าใจนะว่าคนนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วคนระดับนักปราชญ์ที่เข้าสู่ศาสนาเพราะภาษารีบุตรมากที่สุดระดับชาวบ้านทั่วไปนั้นเพราะพระโมคคัลลานะมากที่สุดระดับนักปราชญ์แล้วจะเข้ามาทางสายภาษารีบุตรนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคนที่ดึงคนข้หาหาศาสนานี่สององค์นี้สาคัญมาก ท่านเทพที ท, ทีคนสําเร็จได้มากมายเลยแต่มาท่านมาคิดดูว่ม่เรานี่ช่วยคนอื่นมาเยอะแยะแม่คนเดียวยังเอามาอยู่อันนี้สูตรนะสูตรเราสอนคนได้เยอะแยะนะฮะไปถึงเจอที่บ้านนะ่ยสอนใครมันก็ได้ก็มันเข้ามันเข้าสูตรพระสารีบุตรเองนะฮะขนาดพระสาวกและพระพุทธเจ้าเองก็ให้ใ ห, ให้ให้ลองสังเกตดูนะฮะพระพุทธเจ้าเองสอนคนอื่นมาก่อนเยอะนะฮะถึงจะเลี้ยวไปหาโยม ไม่ไหวแล้วไปถึงบ้านเนี่ยมันขู่เป็นลูกเป็นหลานหมดเลยทําอะไรไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตีวงนอกไปก่อนไปถึงบ้านแล้วมันก็พูดกันยากภาษาริบุตรเองพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ในสูตรเดียวกันพระพุทธเจ้าในตั้งสองสามปีน ะ, ะถึงเลี้ยวกลับไปหาโยมะ่ะไปหาสมเด็จพระพุทธวิดาเพราะตอนใหม่ๆนั้นจะพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องท่านก็นมาคิดว่าท่านเองนั้นก็ช่วยคนมามากมายกายกองแนละ้ว ถ้าช่วยแม่ไม่ได้เนี่ยคนทั้งหลายก็จะตัณนิได้ว่าภาษารีบุตรช่วยคนอื่นได้มากแต่กับแม่ไม่ช่วยพระนั้นก็ท่านก็ไปไปหาแม่ทีนี้เราจะเห็นในลักษณะอย่างหนึ่งของวิญญาณแม่นะฮะวันที่สิบสองนี้จะเป็นวันแม่เลยก็เอาเรื่องนี้เข้ามาพูดเพื่อให้ตรงกับกับวันแม่แม่ก็คือแม่นะ นางสารีนั้นท่านจะเห็นว่าอะไรทาออ่างงนก็อย่างนั้นอย่นนะฮะแต่ว่าพอเอาก็จริงก็อาทรเดีย๋ยเป็นคนแก่นะงอนงอนนิดหน่อยก็ลูกอายุ 44, สี่ิบสี่นี่แม่ก็คงจะหกสิบกว่าคนแก่ก็งอนนิดหน่อยพอลูกชายมาถามมาทําไมเสียงกระชากเสียงกระชากหลานชายบอกว่าลุงจะมาจะมาตายที่นี่สร้างให้จัดนะทีนี้ใจอ่อนแต่พอลูกป่วยขึ้นมามันป่วยกระทันหันนะ บ่วยกระทันหันให้เดาเห็นอย่างหนึ่งว่าระดับพระอริยบุคคล น, นี้จะใช้อิธิบาตภาวนาจะข่มเวทนาไว้ได้จะข่มเวทนาไว้ได้เหมือนกับหลวงพ่อโ น, นอเรานะครที่ท่านเป็นมะเร็งมาตั้งนานนะท่านไม่ปล่อยเพราะปล่อยทแต่ก็สิ้นนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระอราหันต์พระอริยบุคคลเหมือนกันท่านจะข่มเวทนาไว้ได้หมดเลยที่จริงภาษาดิบุตรท่านป่วยมาตั้งแต่น้นนะแต่ท่านข่มไปได้ด้วยอิทธิบาตภาวนา พอส่งลูกศิษย์กลับก็ขึ้นทีเดียวฮะก็คลายคลายที่บาดคลายที่บาทไอ้โรคมันก็หมดการควบคุมนะฮะก็สัมดงพิษสมออกมาเต็มชีดเลยทีนี้ก็จากจุดนี้เราจะเห็นถึงบินยานแม่นะฮะแม่ก็ยังไงยังไงยังงอนงอนนิดหน่อยแต่ก็แอบชะเง้อดูอยู่เรื่อยนะฮะก็ดูลูกอยู่เรื่อยก็เสร็จแล้วเนี่ย คือกล้ๆแกจะเป็นการรู้ใจจะมาช่วยเหลืออะไรกันนะ เ, เทวดาทั้งสามใหญ่ๆ3ท่านสท า, าตุมาราชพระอินทร์พระพรหมก็มากันซึ่งว่าที่จริงแล้วในส่วนของการอุปถาคก็คืออุปถากแต่ส่วนหนึ่งก็คือช่วยสลายมาณะทิจจิของนางสารีที่มีอยู่บ้างให้เบาบางลงไปเพราะว่าแกคือพระโกรธพระสาบุตรและลามปามถึงพระพุทธเจ้า ก็โกรธตึงพระพุทธเจ้าด้วยนี่ถ้าไม่มีพระธรรมนาคโฮดมลูกเราไม่บวชอ่ะก็ดึงหายไปเลยคือโกรธพระสารีบุตรว่าเอาน้องบวชหมดตัวเองบวชแล้วไม่หนำแล้วก็เอาน้องบวชอีกนี่ก็โกรธหายไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้ามาด้วยเอารุ่งแกบวชทีนี้พอพระสารีบุตรแสดงให้ให้เห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นจำนวนแปลกนี่เป็นวาทะของพระสารีบุตรเองนะฮะว่าถ้าเจดุมาราเด่นก็เหมือนกับเด็กวัด คือถ้เทียบกันแล้วเนี่ยกับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเด็กวัดธรรมดาเพราะว่าท้าวจตุมาราชจะต้องมีการรักขาพระโพธิสัตว์แล้วก็พระอินทเหมือนกันเนนพระอินเหมือนกันเน น, เ น, น, เนที่ที่จริงถ้าเราดูในคำภีร์แล้วพระอินททําตัวเหมือนกันเนนจริงๆเวลาพระพุทธเจ้าประชวนก็มานําไอ้พระบางคนหนักบางคนเบาไปเท ท, ทิ้เงเองแล้วก็เทินบนศีรษะเหมือนกับภาชนะใส่ของขอมเลยนี้แสดงว่าทําตัวเหมือนกันเนน แต่พระเจ้าของนางสารีคือพระพรมนะฮะเหมือนกับพระนวกะนะพระนวกะบวชใหม่ก็แสดงว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงในชื่อว่าเป็นสัตถาเดวมนุษยสานางังคือเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเทวดาจึงรวมเอาพรมไ ว, ไว้ทั้งหมดเลยนี่ในแง่ของความประเสริฐด้วยคุณนะฮะ ความประเสริฐด้วยคุณคือพระพุทธเจ้ามีปัญญาคุณสูงกว่ามีกรุณาคุณสูงกว่ามีบริสุทธิ์ที่คุณสูงกว่าพระมก็ยังแท้งอยู่ในวัฏฏะท้าสกะก็อยู่ในวัฏฏะท้าเจตุมาราชนั้นไม่ต้องห่วงยิ่งวัฏฏะใหญ่เลยเมื่อมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าฐานะก็ต่ำกว่าซึ่งทําให้นางสารีซึ่งเคยยกย่องพระพรม้มนับถือพระพร้อมใหญ่โตมโอลา น, นั้นมองแล้วมันก็เสียศักดิ์ศรีไปแยะนะฮะ พระเจ้าตัวเองก็เสียศักดิ์ศรีไปมากก็เกิดในคนเราก็อยากได้าอยากได้สถานะแบบธรรมดาตัวทั่วไปดังนั้นพอพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสูงกว่าก็เกิดเรื่อมใส่พอได้ฟังพระคุณเข้าอะไรต่ออะไรอนุสติก็เกิดแล้วบรรลุโสดาปติพลได้ นี่ก็เป็นการทํางานงครั้งสุดท้ายของพระสารีบุตรคือตอบแทนบุญคุณของแม่ให้ได้พระอระหันต์ทั้งหลายนั้นถือแม่เป็นเรื่องใหญ่เราจะลืมพระพุทธเจ้าเองก็ต้องเสด็จไปปลดแม่พระสารีบุตรก็ต้องมาช่วยแม่พระสารีบุตรสองแม่แล้วนะเคยเล่าให้ฟังแม่ก่อนทนะีทึ่งแม่ก่อนที่แม่ในชาติก่อนน้นทึงไปทําบาปอะไรไม่รู้ลูกบําเพ็ญเพียรมาบรรลุอรหันตเป็นพระหานะแม่ยังเป็นเปรตอยู่เลย พระสารีบุตรก็ต้องทําทักศินานุปาทานคืออุชิศอุทิศกุศลให้โดยพวกธนนาตบินติกาเศรษฐีรับเป็นเจ้าภาพคือมันก็ไปรับอย่างนี้นะครับพระเราจะเอาอะไรมาถวายเราก็ไม่มีคือยธนนาตบินติกาเศรษฐีจัดทหารก็สร้างกุฏิแล้วถวายให้พระสารีบุตรเป็นของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เอาถวายพระอีกทีหนึ่งคือมัอนก็ของท่านแล้วก็อุชิตกุศลให้มารดานในอดีต นี่ก็ทางศาสนาจึงยกจ้องมารดาว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นอหุนนยบุคคลอหุนนยยาจปุตตานังประชาะอนุกรรมประกาศคือเป็นเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ประชากษอสัตย์ทั้งหลายเป็นภาวะของแม่นะฮะเป็นสภาวะของแม่ทีนี้การนิพพานของพระสารีบุตรอย่างที่ปรากฏนั้นก็เป็น เป็นเรื่องที่เวลากำหนดนั้นไม่แน่ชัดแต่สรุปว่าก็ไม่เกินเจดวันจึงเป็นแบบอย่างหนึ่งที่น่าจะถือกันในหมู่ชาวพุทธเราว่าพระสารีบุตรนั้นก็คงจะแรงชาวบ้านที่มาผลักดันให้เกิดอยู่ถึงเจ็ดวันเก็บศพไว้ถึงเจ็ดวันพระพุทธเจ้านั้นก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าเป็นเพราะต้องการจะรอคอยพระมหากัะสปะท่านั้นถ้ามาอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องเก็บไปนานอย่างนั้น ประการต่อไปก็คือเรื่องการไม่ยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยลําพังของท่านจุนทะข้อนี้ท่านแสดงว่าที่จริงพระจุนทะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์เป็นอุปถาคของพระพุทธเจ้านะครับรับใช้อยู่บ่อยปรากฏในเรื่องราวต่างๆรับใช้อยู่บ่อยแต่เวลาจะเข้าเฝ้านั้นท่านจะไม่ผีแามเข้าเฝ้าคือนึกจะเฝ้าก็เฝ้านึกจะเคาะประตูก็เคาะเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นการให้ความเคารพยำเกรงต่อพระพุทธเจ้า จะทำอะไรก็เข้าหาไปทางพระานนท์เพราะพระานนท์เป็นอุปถาคนี้ก็เป็นแบบในการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งน่าศึกษาไว้เหมือนกันว่าคือไม่ใช่ว่าผีพรามเข้าไปถึงก็เฝ้าเลยเมื่อพระานนท์ปรารบเป็นเหตุเข้าเฝ้าทา่านก็เข้าเฝ้าด้วยกันทั้งสองท่านภาษารีบุตรนั้นได้นิพพานในปีสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะฮะของพระพุทธ การดำรงประชนอยู่ของพระพุทธเจ้าก็ห่างจากพระพุทธเจ้าเท่าไหรก็อันนี้ก็เดิน12บสองครึ่งนันก็เดิน6ครึ่งนะฮะก็เป็นการจากไปตา ม, ตา ม, ต, ามตามธรรมดาของสังขารแต่ว่าชีวิตผลงานของท่านทั้งหลายนั้นของของภาษารีบุตรนั้นมีมาก รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับพระคำภีบางคำภีคือพระไตรปิฎกเนี่ยบางเล่มเนี่ยของภาษาดิบุตรโดยเฉพาะเช่นพวกปฏิสัมพิทามากอะไรเนี่ยจุนนิเชต์มานิเช ษ, น, เชษนี้เป็นของภาษาดิบุตรมากเล่มที่ยี่ส31เก้าสาสิบสามสบเอดเนี่ยเป็นคําสอนของท่านแล้วภาษาดิบุตรนีมีลักษณะชิดเด่นอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าเป็นอะไร คือเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินนะครที่พระพุทธเจ้าทรงยกจ่องว่ามีเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดิ น, ด เ, ส เ, นเสมอด้วยโศเคลื่อนเสมอด้วยศิลาแท่งทึบก็เป็นลักษณะที่เด่นคือพระอาหารหันต์ที่จริงท่านก็เป็นอย่างนั้นนะเรีว่าพระศาริบุตรนั้นได้เผชิญการพิสูจน์ทดสอบมาหลายครั้งหลายผลจากการใส่ร้ายของคนบ้างจากการตีของพรามณ์บ้างนะฮะตีหัวนันทยากในตีหัวพระศาริบุตร มีพราหมณ์คนหนึ่งเคยจีหัวท่านจีหัวท่านทดลองดูนะฮะโกนหัวใหม่ๆด้วยหน้าแตกแล้วกันทดลองดูเขาบอกว่าภาษาดีบุตรไม่โกรธคือความเป็นพระหานนั้นท่านทั้งหลายต้งตองโปรดทราบแตว่าเป็นที่ใจนะฮะอรหันไม่ได้เป็นที่กายกายก็คือกายธรรมดาธรรมดาก็คนธรรมดานี่เองการพูดการจากาันอิริยาบถทั่วไปก็คือคนธรรมดา แต่วความเป็นนั้นเป็นอยู่ที่กายเวลาแสดงออกเป็นอยู่ที่ใจเวลาแสดงออกก็อีกกาแสดงแบบคนธรรมดาอกีกเพราะฉะนั้นการเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเป็นพระอรหันต์กับพระอรหรันต์เท่านั้นที่จะรู้กันหรือว่าตัวท่านเองเท่านั้นที่จะรู้คนอื่นไม่รู้หรอกดังนั้นในการที่มีพระสักองค์หนึ่งซึ่งไม่โกรธก็เกิดสงสัยพรามณ์เลยเดินเห็นท่านท่านเดินก็แอบตีหัวเลยไอ้บุท่านก็เดินก็นั่นเฉย ก็มีเรื่องราวเป็นนันมากที่มีลักษณะท้าทายอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงอุปมาว่าภาษาดิบุตรนั้นเหมือนกับเสาเขื่อนเหมือนกับผ่นดินเหมือนกับหน้าเหมือนกับภูเขาศิลาแทงชึก เ, เรื่องตัวเรื่องจริ ง, รงๆกลายเป็นเรื่องจุนทัสูตรนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของพระจุนทะแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเป็นการดึงเอาจุดเดียวของพระจุนทะเท่านั้นคือการนําเอาพระธาต กับบาดจีวรของพระสารีบุตรมาถวายเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพระสารีบุตรทั้งหมดแต่ว่าจุดเด่นที่สำคัญของพระจุนทะก็คือว่าเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มแล้วก็มองการไกลงานเด่นของท่านมีอยู่สองมีหลายงานนะฮะสรุปไปฝัางละสองงานงานหนึ่งเนี่ช้าหนึ่งในี่พระพระสองฝ่ายนะของเราเนี่ก็พื่อคันธุระกับวิปัสนาธุระคือศึกษาข่ายปริญัต เป็นหลักกับเน้นไปทางปฏิบัติทางจิตเป็นหลักเรียกว่าพระป่ากับพระบ้านพูดง่ายๆนะแต่ทุกวันในพระป่ารวยกว่าพระบ้านนะมาไปวัดกรรมาฐานบางวัดเรถตกใจเลยเครื่องใช้าในห้องน้ำํำเราไม่เคยเห็นเลยบิดไม่ถูกมันบิดตรงไหนมั้ยเรามันก็อยู่กรุงเทพเลยไม่ค่อยรู้จักเรื่องเหล่านี้เครื่องใช้ไม้สอยโอมันหรูหราได้เกิดที่จะใสนน่น้ําร้อนน้าชาเขาเราก็ไม่รู้จับตรงไหนบางงานไม่เคยเห็นเลยไปอยู่ในป่าแยะเนี่ยในป่าจะเป็นเมืองเมืองจะเป็นป่า ก็พระเหล่านี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็ถือดีกันนะเรื่องกิเลสคนนะฮะเป็นพระแต่ยังไม่มีกิเลสมันก็สำแดงกิเลสออกมาได้เรื่อยๆก็โจมตีกันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นดีกว่านั่นดีกว่าจนปัจจุบันเรียกว่าพระปฏิบัตินะเรียกว่าพระปฏิบัตินักปฏิบัตินักปริยัติพระจุนทะท่านเกิดเห็นว่ามันไม่เด็ดเรื่องแล้ท่านก็เรียกไปชุมชี้แจงให้ทราบ บอกว่าท่านทั้งหลายคือว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นก็เป็นความดีงามที่ควรแก่การยกย่องท่านที่แตกฉานในปริยัติก็เป็นผู้ลึกซึ้งควรแก่การยกย่องในด้านนั้นท่านที่ปฏิบัติก็ควรยกย่องในด้านนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็ควรจะควรแก่การยกย่องมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการโจมตีการดูหมิน่นกันนั้นเป็นการไม่สมควร นี่เป็นฝีมือของพระจุนลธะน ะ, ะท่านกล้าพูดในที่ประชุมถึงคนมีความริเริ่มดีมากและอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนิครนนาฏบุตรนิพานตายนะฮะเดี๋ยวขาเรียกว่นนวานี้ละวานพวกนิครนแตกกันเป็นสองสายสายหนึ่งก็เป็นเรียกว่าที่คำพรคือนุ่งชิดฮนะพวกชีปเปลืยทั้งหลายแล้วก็เสเบตามพรพวกนี้ก็หัวก้าวหน้าหน่อยบอกไม่ไหวประเจิดประเจิดเลยก็นุ่งขาวเสียหน่อย แล้วพวกอนุรักษ์นิยมเขาไม่เล่นด้วยก็แตกเป็นสองสายทะเลาะกันจนทุกวันยังแตกกันอยู่เนีนะ่พวกนิคโครก็ยังมีอยู่สองสายพระจุนท่าบอกว่าเอชัดไม่ได้เรื่องนะพอาศาสดานิพานเลยเผาที่เท่าอยังไม่ทันเย็นลูกศิษย์แตกกันแล้วก็ลเลยก็เพื่อจะหาข้อยุติให้ได้ก็สกราบพูนพระพุทธเจ้าคือนําเรื่องไปปรึกษาภาษารีบุตรก่อนว่าในของเรานี่พระพุทธเจ้าเราอยู่นานกันเนีันนะ อยู่นานมากคําสอนมากถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปลูกศิษย์เกิดแตกอย่างนั้นแล้วจะยุ่งกันใหญ่เพราะนั้นก็ควรจะมีการสังฆายนาร้อยกรองพระธรรมวิ น, นัยก็นําเรื่องนี้ไปกราบทูล พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทานพุทธานุญาตให้ภาษาดิบุตรเป็นคนกระทํะาแต่ภาษาดิบุตรก็กระทำกระทํานั้นก็เป็นการประชุมสงฆ์พระเจ้า ก, ก็นั่งนั่งประทับเฉยๆไม่ได้รับสั่งอะไรสารีดบุตรก็ทําโดยการนําเอาธรรมะ มาเรียงนะฮะมาเรียงแบบหนังสือที่มาแจกเนี่ยเรียงแบบนี้เรียงแบบจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากก็เป็นประสูตรขนาดยาวมากเหมือนกันชื่อว่าสังกีษติสูตรแต่ก็ทําได้เท่านั้นเพราะท่านก็พอดีก็นิพานเพราะอั้นปีนี้แหละจึงเป็นปีของการสูญเสียทั้งหมดนะฮะก็เรียกว่าจากเนี่ยจากกลางเดือนสิบสองมานี่ยุ่งไปหมดหรือเสียหมดเลย ท่านานาตาบินธิกาเศรษฐีก็ไปก่อนนั้นก่อนนั้นก็พระราหุลไปพระัญญาโกณทัญยะนิพานพระราหุลนิพานพระราหุลนิพานแปลกเพื่อนนะั่นิพานที่ดาวันดึงองคเดียวนิพานบนสวรรค์ได้อง์เดียวงนี้นิพานตั้งแต่ยังหนุม่มๆนั้นมีกา ร, รมอะไรนะท่านเขาบอ ก, กว่าเป็นเหตุใหนะ้อายุท่านสั้นท่นก็ น, นิพานตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็เป็นชีวิตที่เรียบๆไม่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากกระเด็นในตอนก่อนเป็นพระอรหันต์นะพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ค่อยมีงานอะไรเด่น นิพานเรงเงียบพระเจ้าประเสณนทโกศลที่วงคดพระประยุรญาตของพระพุทธเจ้าถูกวิทูรพะยกกองทัพไปถล่มทลายพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบตายไอ้ัชญชานิพานเออคือเรื่องเป็นความสูญเสียในปีสุดท้ายเป็นความสูญเสียอย่างแรงที่เกิดกขึ้นคนสําคัญสําคั ญ, คญเราหายไปเยอะเพราะงั้นในสมัยพระพุทธเจ้ า, น, านิพานคนดังๆจึงไม่มีเพราะว่าตายไปก่อนหมด ตายไปใกล้ๆกันนะฮะในปีสุดท้ายนี่ตายมากเลยเกศพระเจ้าสุโธธนะก็ใกล้ๆ ก, ก่อนนั้นนิพผ่านกันไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระมหาเถระที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะฮะถือเป็นเป็นพี่ใหญ่ของพระสวงเป็นธรรมเสนาบดีของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ขอยุดจิไว้เวลาเพียงเท่านี้